เทศนาแผนที่77ลำดับที่3โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรรธานีแสดงคำในวันที่14สิงหาคม2558มีชื่อเรื่องว่าหน้าที่ของกายหน้าที่ของใจ นั่งประจำที่วันนี้จะไดเ้เริ่มพิธีไหว้พระรับศีลนะวันนี้นาะลุกหลาหน้าเป็นวันพระแรม15้าค่ำเดือน8เขา้าพันษามาแพรบเดียวเนี่ยหลวงพ่อนะว่าแพรบเดียวนะนะวดวนะได้15้าวันแล้วถ้าว่าผู้ใดคิดถึงบ้านผู้ใดคิด ไปในทางบอ ด, ดีเลยว่ามันมันย่าเนะ่โอ้ยสิบหาหมื่นนี่มันหาดดก็รอ ก, ก็เดียวนะแต่จำบับหลวงพ่อเองหลวงพ่อว่าสิบห้าวันเนี่ยมันแปบเดียวเองเอาเริ่มพิธีแล้วนะกธนีนะเอาอิมนาสกาเลนาาต่อไปตั้งใจสมาทานศีล วันนี้พวกเราตั้งแต่เข้าพรรษามาอันนี้เป็นศีลที่สมิมศีลที่แรกก็คือวันเข้าพรรษานะวันอาสระบูชาวันนั้นเป็นวันแรกที่เราสมาทานศีลแล้วก็วันแรม8ปํค่ำนะที่ผ่านมาใ น, นวันเป็นวันแรม15คหาค่เป็นนั้นว่าเรารักษาศีล เป็นศินที่ส <c oughs> ตั้งแต่ตั้งแต่ศินแรกมาแ ต, แต่เราบางท่านก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ว่าจะรักษาศินอุโบสถทุกวันพระหรือรักษาศินห้าทุกวันพระหรือจะมาทำบุญตักบาตรทุกวันพระกระสุดแท้แต่พวกเราตั้งจิตอธิษฐานไว้ ในจิตในใจต่อหน้าพระประธานแต่หลวงพ่อจะเน้นย้ำจุดที่ว่าเมื่อเราตั้ ง, ต, งตั้งจิตอธิษฐานอันแน่วแน่แล้วเราคิดเดแล้วเราจังตั้งจิตอธิษฐานอย่าให้โกหกหลอกลวงตนเองในเมื่อตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ให้ไปตามนั้นถึงจะทุกข์ยากลำบากยังไงเราก็ต้องฝืนต้องสู้ต้องปฏิบัติตามแต่ถา้าเราไม่ปฏิบัติตามมันลำบากใจนะ ลำบากใจเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้เมื่อตั้งจิตอธิษฐานที่แน่วแน่แล้วก็ให้ปฏิบัติตามนั้นก็ไม่เห็นจะยากที่ตรงไหนมีแต่กิเลส ข, ของเรามันอยู่ในจิตใจท่านเอง ท, ที่ทําให้จิตใจของเราทุกข์ร้อนเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตาม แต่มันไม่ใช่สุขนะไม่ได้สุขใจเสียนะึ่เมื่อเราไม่ปฏิบัติตามแล้วมันทุกข์ใจเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นเราถ้าเราเอาชนะใจของเราได้แล้วนะเราจะมีความสุขใจ อ, อต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะทําอะไรปฏิบัติต่อศีลต่อธรรมต่อคุณงามความดีแล้วให้เด็ดเดีย่ยวแน่วแน่ตั้งใจจริงนะ <c oughs> นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสะีสะ่เลนะนิพุติงยันติตัตมาสี่ลังวิโสทายวันนี้เป็นวันที่สิบสี่สิงหาคมพุทธศักราช2558้าอห้าสิบปดวันนี้เป็นวันพระ แรม15บ้าค่ำเดือน8วันนี้ตอนเที่ยงพระกูบาอาจารย์ลูกหลานทั้งหลายอย่าลืมวันอุโบสถนะบอกบอกกันด้วยอย่าได้คอยกันเที่ยงอย่างที่พวกเราเคยลงอุโบสถถ้าองค์ไหนไม่ทราบหรือลืมก็บอกบอกกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ที่อดอาหารผู้อยู่ใกล้ก็เตือนกันบอกกันวันนี้เป็นวันอุโบสถ พวกเราจะได้ร่วมกันลงอุโบสถ15วันพระสงฆ์จะลงอุโบสถครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นวันที่ชัฏธาญาติโยมสมาทานศีลรักษาศีลห้ารักษาศีลอุโบสถประกอบคุณงามความดีในพรรษาในพรรษาหนึ่งๆพวกเราก็ควรจะใส่ใจเป็นกรณีพิเศษอย่างพระสงฆ์ก็เหมือนกันและลูกหลานทั้งหลาย ในพรรษานี้พวกเราที่ตั้งจิตอธิษฐานจะเอาอย่างไรก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ว่าเราจะเอาอะไรในพรรษานี้เมื่อตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ให้เดินตามอย่าไปเห็นแก่เรื่องอย่างอื่น <Yeah. S 1> เรื่องสัจจะในสำคัญกว่าถ้าคนไม่มีสัจจะไร้สัจจะสัจจะล้มเหลว คนคนนั้นแปลว่าหมดคุณค่าถึงจะเป็นคนก็หมดคุณค่าเพราะนั้นอย่าให้ตัวเองหมดคุณค่าเมื่อตั้งเราตั้งจิตอธิษฐานแลอย่ากโกหกอย่าหลอกลวงตนเองเมื่อเรากโกหกตอกหลอกลวงตนเองครั้งหนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามก็เลยดื้อด้านไปเพราะเห็ุรมันโกหกตัวเองจนไม่รู้ว่ากี่ครั้งถ ก, กี่หน จนดื้อด้านไปก็เลยพูดอะไรก็ล้มเหลวไปหมดหลอกลวงตนเองไปหมดไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นพวกเราเกิดมาทั้งทีได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานอันใดเอาอันไหนเอาไว้แล้วในจิตใจของพวกท่านแต่ละคนคงไม่เหมือนกันแต่ถึงอย่างไรก็คือมุ่งมั่นไปใน ทางประกอบคุณงามความดีทั้งนั้นแหละอแต่ว่าหากผู้ใดเขาตามตัง้งจิตอธิษฐานมุ่งมันไปในทางชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วไม่ใช่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงจะจังตั้งจิตอธิษฐานอย่างนั้นไว้เอถอยได้อะนนแปลว่าความชั่วกิเลส เรามันจะฆ่าตัวกิเลสอยู่แล้วยจะทําทไมจะให้เป็นตามน้ําหลังกิเลสอีกฮอะกิเลสคือความชั่วมันเคิดขึ้นมาแล้วจะไปหาตั้งคําสัตว์เหรอฆ่าพรเจ้าจะฆ่าคนข่าพรเจ้าจะฆ่าสัตว์ฆ่าพรเจ้าจะทําความชั่วอะไรลักษณะอย่างนั้นอ่ะดนั้นเมื่อตั้งคําสัตว์อย่างนั้นขึ้นมาเราควรจะฆ่ากิเลสจุดนั้นให้ลาบคาบเพราะอะไรเพราะมันเป็นความชั่ว กิเลสนำต้องเอาธรรมะความถูกต้องความเป็นธรรมความเป็นศรรีลเป็นธรรมนําจึงจะถูกต้องนี่แหละสัจจะมนันก็มีหลายอย่างกันนะอธิษฐานก็เหมือนกันขันติก็เหมือนกันปัญญาก็เหมือนกันมีมากมายที่มันเป็นดาบสองคมทั้งนั้นแหละถ้าเราขาดสติขาดปัญญาขาดความรอบครอบทั้งปัญญาก็เหมือนกัน ปัญญาถ้าส่งเสริมไปในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมมีเหตุผลมันก็ดีแต่ใช้ปัญญาไปในทางที่ผิดมิจฉาทิฏฐิปัญญาแล้วโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเสียหายอย่างมากวิริยะก็เหมือนกันถ้าเพียนไปในทางชําระกิเลสราคะโทสะโมหะมีความภาคเพียนมีความพยายามมีความตั้งใจมุ่งมั่นนั่งภาวนาเพียนพยายามอันนี้มันเป็นการภาคเพียนเพื่อตัดกิเลส เป็นบุญเป็นกุศลมหาศาลมีคุณอย่างมหาศาลแต่เราใช้ความเพียรไปในทางที่ผิดเพียนพยายามจะดุดาว่าก่าเพียนพยายามจะฆ่าคนอื่นเบียดเบียนอื่นขโมยสิ่งของของคนอื่นมีความเพียรเหมือนกันนะแต่นี่เป็นความเพียรไปสู่นรกถ้ามีความเพียรมากเท่าไหร่สำเร็จในเรื่องนั้นขึ้นมากับตกนรกอเวจีมหานรกหลุมลึกทีเดียวเพราะนั้นความเพียร ก็เราใช้ไปในทางไหนใช้ไปในทางที่ถูกต้องมันก็ถูกต้องแต่ใช้ไปในทางที่ผิดมันก็ผิด ม, มหันเหมือนกันเนพราะนั้นการที่พวกเราเศึกษาธรรมะให้พวกเราอ่านต้นต่อของใจของตนเองใจของเราเป็นกุศลหรืออ ก, กุศลถ้าเป็นกุศลคิดออกไปมันก็เป็นกุศลพูดออกไปก็เป็นกุศลการ กระทำออกไปก็เป็นกุศลเพราะใจของเราเป็นกุศลถ้าใจของเราเป็นอกุศลคิดไปในทางที่ไม่ดีการพูดออกไปการกระทาออกไปมันก็ไม่ดีไปทางชั่วไปทางเสียหายเพราะนั้นให้ถ้าเรามีสมาธิในจิตใจมองใจของตนเองแล้วเราจะรู้ได้ว่าการคิดของเรานี่มันไปในทางไหนมันไปทางเลวหรือไปทางดี ไปทางกุศลหรืออกุศลอ่กุศลก็คือทางดีนะอกุศลคือทางชั่วอ่ไปทางขาวหรือไปทางดำนี่นะขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอ่ดูใจของตนเองถ้าว่าไม่มีสมาธิจิตใจที่ไม่มีสมาธิจิตใจล้วนเละจิตใจที่เป็นบ้านมันคิดไม่ออกหรอกอ่คนที่มีเป็นภาษาเนี่มันคิดอะไรมันคิดไม่ออกทั้งหมดอ่ะออามันคิดแต่มันหิวตนเอง แต่ความดีความชั่วไม่คิดไม่ออกเพราะอะไรเพราะมันไม่ไม่มีสติถ้าคนมีสตินั่งสมาธิมีสติสัมปชัญญะแล้วจะรู้ได้มองได้เห็นได้อันไหนควรไม่ควรอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องอันไหนเป็นธรรมไม่เป็นธรรมอันไหนเป็นธรรมเป็นวิยนอันไหนเป็นอกุศลเป็นกุศลเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะ ผู้มาปฏิบัติธรรมมาสู่วัดวาศาสนาต้องเป็นผู้มีหลักเขตมีหลักผลอยู่ในจิตใจในเมื่อเรารู้ว่าอันไหนควรไม่ควร เ, เมื่อเรารู้เห็นแล้วว่าเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรในเมื่อเราเห็นแล้วเออเอาในช่วงนี้ในเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้อายุของเราเท่าไหร่เราควรจะเลิกละ ในสิ่งที่เราเคยทํามาแล้วแต่ก่อนควรจะยศในการกระทํานั้นเราควรจะปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมในพรรษานี้นี่แหละเราก่อนยกเลิกในการกระทําที่เป็นมานั้นถึงจะยากลําบากเราก็ห้ามใจตัวเองเมื่อห้ามใจตัวเองได้แล้วครั้งที่หนึ่งนั่นแหละท่านบอกว่ากุศลใดก็ตาม ที่เมื่อเรามีความตั้งใจมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นกุศลใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นในใจของเราที่เราเอาชนะมันได้ที่เราตั้งมั่นแล้วหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้วกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรเจริญให้มากเรื่องการกุศลแต่ว่าทางบาปก็เหมือนกันพี่น้องลูกหลานนะ ถ้าเราสะสมไปในทางบาปคิดไปในทางบาปคิดไปในทางชั่วหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้วบาปอกุศลอื่นมาหลุมมาตุ่มเข้ามาอะไรสินะสิ่งที่มันไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเริญมากมายขึ้นเหตุนั้นควรละอไม่ควรจะเสริมเพราะเรารู้จักต้นตอของมันแล้วควรจะละในจุดนั้น นี่แหละสรุปแ้วก็คือออกไปจากใจทั้งหมดสิ่งดีหรือสิ่งชั่วเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านเข้ามาสู่วัดว า, าศาสนาให้สังเกตตนเองอให้ดูตนเองให้สังเกตตัวเองให้มองเจ้าของให้ดูเจ้าของอเดี๋ยวนี้เราอยู่ในสถานะไหนเราเป็นยังไงใจของเราเป็นยังไงแล้วก็มองไปข้างหน้าชีวิตของเราเนี่จะยืนนานไปสักเท่าไหร่เราจะทิ้งธาตุทิ้นทิ้งขันไหม อีกไม่นานตายนะอีกไม่นานเดี๋ยวนี้อายุของเราเท่าไหร่เรารับประกันได้ไหมว่าเราจะมีอายุร้อยปีไม่มีใครรับประกันได้หรอกเพราะนั้นอยู่เป็นวันวันเป็นเดือนเดือ น, นปีปีไปการอยู่เป็นวันวันเดือนเดือนปีปีเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเท่นี้ให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้แต่ละพี่แต่ละวันถึงยังไง เ, ออเมื่อเราจากไปเราก็ไม่เสียเที่ยวเสียทีเพราะว่าเราได้ออทําคุณงามความดีเป็นไปโดยสม่ําเสมอไม่ได้ลดละนี่แหละถ้าพวกเราทําได้อย่างนี้อันนี้เป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทแต่ทั้งนี้ท้งนั้นบางคนก็นว่าเอา ธรรมะทำคาสอนครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายกรรมฐานนี่มิได้เอาความตายมาคู่กันทำให้จิตใจหดหูหอ่หอเหี่ยวคิดไปอย่างนั้นไปได้กิเลสน ะ, ะมันมันจริงไหมจริงอยู่แต่ไม่ควรจะเอามาพูดถ้าไม่พูดความจริงจะพูดอะไรเอาเรื่องหลอกลวงมาพูดกันน ะ, ะมีอะไรมิตรภาษาดอกไม้อย่างนั้นใช่มมีแต่เรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะ โลภโกรธหลงอย่างงั้นใช่ไหมจะรวยเท่านั้นจะรวยเท่านี้มั่งมีสีสุขอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างงั้นอย่างงั้นใช่ไหมอันนั้นมันหลอกตนเองไปทั้งนั้นแหละไม่ใช่ของจริงของจริงเอาเราทำยังไงชีวิตประจำวันของเราทำดีที่สุดพระพุทธศาสนาไม่ได้ให้ปล่อยให้ปล่อย ป, อยปลาละเลยพอถึงระลึกถึงความตายแล้วก็อยู่แบบ ชังกระตายหมดอะไรตายอยากไม่ใช่อย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นได้พระพุทธเจ้าคงคงจะไม่ได้สั่งสอนพระพุทธศาสนาทั้ง 84%, ดหมพันพระธรรมคขันพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงตาท่านคงจะไม่ได้มีการแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนศรทัทธาญาตโยมแล้วก็ไม่ได้ดูแลประเทศชาติหาทองคําเข้าคลังหลวงท่านคงจะไม่ทําพอถึระลึกถึงความตายไปช่วยมันทําไมทุกคนนก็จะตายอยู่แล้ว อย่างนั้นเหรอท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นโลกก็คือโลกทำก็คือทำอใจก็คือใจแต่ถึงยังไงก็ตามในสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ท่านก็ทำแต่สิ่งที่อยู่ในใจของท่านท่านก็รับรู้รับทราบปล่อยวางยังไงนี่แหละธรรมมันอยู่ในใจไม่ใช่อยู่ข้างนอกแต่ข้างนอกเราปฏิบัติตนให้ถูกต้องมันขยนันอดทนให้ถูกกับโลกสมมุติเขาจะไปทาผิดที่มัน ที่มันไม่ถูกนะอย่าไปทำผิดกฎหมายอย่าไปทำทำให้คนคนอื่นเดือดร้อนทำให้เป็นธรรมให้เป็นศีลเป็นธรรมอยู่ข้างนอกแต่ในใจของเราเราต้องปล่อยวางอยู่ที่ใจใจเอ้ยใจยถึงทำทอยังไงก็ทำไปได้แต่ว่าอย่าลุ่มหลงมัวเมาอย่าไปตึกติดยดึดกับสิ่งภายนอกเกินไปในใจเนะอะเตือนใจของตนเอง เพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่เพียงแค่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นนะใจนะจริงไหมถ้าหายใจไม่เข้าเลยจะอยู่ที่ไหนก็เฮ้ตายถ้าอยู่ที่ไหนก็ตายถ้าจหายใจไม่ออกไม่เข้าไม่ออกนะตายทั้งคู่การตายของเราเนี่ยเรารับประกันได้ไหมว่าเราจะอยู่ยังไงอายุร้อยปีซะก่อนเราจึงตายอย่างนั้นใช่ไหมไม่มีใครรับรองรับประกันได้เอ นั่งรถไปได้ดีกันรถชนเปียกเนีหรือมีอะไรเข้ามามีตั้งเยอะแยะไปที่พวกเราได้อ่านดูเตะตามสื่อต่างๆออการล้มการตายเราอาจจะโดนอย่างนั้นก็ได้อีกสักวันหนึ่งข้างหน้าเพราะฉนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทแต่สนใจลึกนั้นให้คิดใหคิดอย่างหนึ่งปล่อยวางอย่างหนึ่งออแต่การกระทําอยู่ข้างนอกอย่าให้ขาดตกบกพร่อง ในหน้าที่และการงานของเรานี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายแห่งรู้จักหน้าที่หน้าที่ของกายหน้าที่ของใจหน้าที่ของกายก็คือการกระทำํำช่วยเหลือการเป็นอยู่เพราะเราต้องเลี้ยงเลี้ยงชีวิตต้องสะแสวงหาทรัพย์เลี้ยงชีวิตเลี้ยงร่างกายแต่ส่วนจิตใจนันะควรจะหาทรทมคือหลักเหตุผลทำคือหลักถูกต้อง ธรรมคือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวพวกเราอย่างไรให้นํามาประพฤติปฏิบัติทีนี้ท่านให้คิดยังไงท่านให้ทําอย่างไงท่าให้พูดยังไงนี่แหละอันนี้ก็คือธรรมเข้าสู่จิตใจถ้าเราปฏิบัติได้อย่างนี้อยู่นสถานที่ใดอยู่นสถานหน้ไหนอยู่เวลาใดเราก็จะวางตัวถูกมีแต่ความสุขกายสุขใจนะ ไม่ถุกไม่เดือดไม่ร้อดไม่ซึมเศร้าไม่เงางอยในเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นเราก็รู้มองเลยรู้เลยว่ามันเป็นอะไรนะเพราะเหตุใดมันรู้เท่ารู้ทันรู้เรื่องรู้เรื่องรู้ราวรู้เขารู้เรารู้เรื่องของโลกรู้เรื่องของธรรมรู้เรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตารู้เรื่องของคนที่เกิดก่อนไปไหนหมดแล้วเกิดมาทีหลังตามหลังเข้ามาเรื่อย มันก็คงจะเดินไปแนวแถวหน้าที่เขาพาเดินนั่นแหละสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสรุปแล้วก็คือให้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อเรามาถึงจุดนี้เราได้พบพะพทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนเพรา ะ, ะนั้นก็ฝากไว้กับลูกหลานคณะศรัทธายาโยมทุกคนเนอร์นานวันพระหนึ่งพวกเราก็ได้มาพบมาเจอกัน หลวงพ่อก็มีตะก่าวย้าตักเตือนให้พวกเราทั้งท่านทั้งหลายประกอบคุณงามความดีอย่าหลงละเริลมอย่าหลงลืมตัวอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีคนมีคุณงามความดีในจิตในใจแล้วนะอย่างพระอรหันต์ที่เราได้เป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนะจะตายที่ไหนจะไปเกิดจะตายเวลาไหนยังไงไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงหาอะไรทั้งหมดเพราะเรา ถึงสุดจุดหมายปลายทางแล้วเมื่อทิ้งภาชนะดินนะไปรับพระภาชนะทองคํานี้ก็เหมือนกันนะนะร่างกายของเราเนะี่ยมันเหมือนกับภาชนะดินแต่เมื่อเราได้ทําอันบริสุทธิ์แล้วนะั่นคือภาชนะทองคําภาชนะเพชรนินจินดาเลยนี่แหละพร้อมที่จะทิ้งได้เป็นไรไปท่านไม่ไดห้ห่วงหาอะไร แต่ถ้าเมื่อยังมีถ้าเมื่อเรายังยังไม่ถึงจุดนั้นเนพาชนะดินแล้วก็เออใส่จานตักข้าวกินไปก่อนอใช้ไปก่อนเพราะอลารเพราะยังไม่ถึงจุดนั้นแต่เมื่อถึงจุดนั้นแล้วนะเราเทงเลยไปรับตัวนั้นดีกว่าเหนือกว่ า, าคุณภาพเยี่ยมกว่ามันเยี่ยมทุกอย่างเลยอันนี้แหละหลักธรรมคำสอนของพุทธะนะ ถ้าตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนัตินีนะา